บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระธรรมกุลบทต่อไปนั้นคือโอปัญิโกซึ่งแปลความว่าพระธรรมอันบุคคลพึงน้อมนำมาไว้ในตนซึ่งเป็นการแสดงเห็นได้ว่า ธรรมะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นผู้ศึกษาและปฏิบัติจะต้องน้อมนําธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ธรรมแต่ละประเภทคือส่วนใดที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้กําหนดรู้ก็กําหนดรู้ธรรมะเหล่านั้น ส่วนใดที่ทรงสั่งสอนไว้ให้ละก็พยายามปฏิบัติเพื่อละธรรมะเหล่านั้นแส่วนใดที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อให้ทําให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนก็กําหนดทําให้แจ้งซึ่งธรรมะเหล่านั้นธรรมะส่วนใดที่พึงลงมือประพฤติปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนั้นๆ เมื่อบุคคลน้อมธรรมะมาปฏิบัติตามสมควรแก่กรณีเช่นนี้แล้วย่อมจะเกิดความรู้ความจริงสิ่งธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายสามารถยับยังบรรเทาละระดับกิเลสลงไปได้ตามลำดับอาจสัมผัสผลที่ทรงแสดงไวในชา้นนั้นๆด้วยใจของตน และนำชีวิตของตนเองให้ดำเนินไปตามครองแห่งธรรมที่ทรงแสดงไว้สำหรับในที่นี้จะกล่าวธรรมะในชั้นของวิสุทธิทั้งเจ็ดประการคำว่าวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หรือความวิสุทธิซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนกับบันไดธรรม ที่จะนําผู้ปฏิบัติให้ก้าวเดินไปสู่ความสงบความประนีตโดยลำดับในทางศาสนาถือว่าเป็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะนําผู้ปฏิบัติจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาท่านอุปมาว่า เป็นเหมือนบุคคลที่จะเดินทางไปในที่ใดที่หนึ่งจะต้องอาศัยยานพาหนะต่างๆพัดเปลี่ยนกันไปเช่นว่าอาศัยรถส่งต่อส่งต่อการเจ็ดผลแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือธรรมะแต่ละข้อ ที่บุคคลน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจะกลายเป็นฐานรองรับความดีเบื้องสูงขึ้นไปในขณะเดียวกันองค์ธรรมะในชั้นนั้ น, น, นก็จะทำหน้าที่ขจัดปัญโทาบาปอากุศลต่างๆตามสมควรแก่หน้าที่ของตนวิสุทธิทางเจดประการนั้น ท่านเริ่มต้นด้วยสีละวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งศีลคำ ว, ว่าศีลนั้นได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลอันเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มองเห็นโทษที่ปรากฏที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนประทุสรายกันเป็นทางก่อเวรกอภัยในระหว่างกันอะกัน จึงได้มีเจตนางดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำกรรมเช่นนั้นหลังจากได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วนอกจากจะเป็นการยุติเวรไภยยังเป็นการระงับเวรไภและป้องกันเวรไภต่างๆได้ทำให้อาการกายวาจาของบุคคลเป็นปกติ ตัวผลที่เกิดขึ้นจากศีลอันได้ศึกษาสมาธานดีแล้วก็คือความสงบเย็นที่ปรากฏขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจในชั้นของอานิสงส์ที่บุคคลจะพึงเห็นได้ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้านั้นทรงแสดงไว้โดยอนเนกปริยายเช่นทรงแสดงว่า บุคคลจะได้สุขติคือทางแห่งความสุขหรือภาวะแห่งความสุขตลอดจถึงสถานที่อั น, นก่อให้เกิดความสุขได้ก็พระสิ่งสมบูรณ์ด้วยโภทธ ก, กสศบัติต่างๆได้ก็พระสิและมีความสงบดับเย็นได้ก็พระสิ่งดังนั้นในท้ายแห่งศินที่สมาทานกันแต่ละครั้งแต่ละคราว จึงมีการแสดงอานิสง์ของศีลทั้งสามประการนั้นและท่านได้สรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าตาสมาสีลังวิโสทะเ ย, ยซึ่งแปลเป็นใจความว่าเพราะฉะนั้นขอให้ชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ดังนี้และในที่อื่นยังทรงแสดงอานิสง์ของศีลเอาไว้ ว่าบุคคลผู้มีศีล น, นั้นศึกษาประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมเป็นผู้มีเกียรติคุณฟุง้งกระจอรไปเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายจะเข้าไปในสมาคมใดก็องอาจกล้าหาญไม่คั่งคล่ำขมเกรงในสมาคมเหล่านั้นไม่ต้องกลัวต่อการโจวทวง การกระซิบกระราบการตำหนิของบุคคลอื่นเป็นผู้ที่มีจิตใ จ, จตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆและในตอนสุดท้ายก็จะจบลงด้วยคำว่าไม่หลงตายไม่ตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติซึ่งดาการได้โพ ก, กสมบัติกุดี การได้เกียรติยศชื่อเสียงก็ดีการได้ความไม่เดือดร้อนใจและได้ความสุขเป็นต้นก็ดีนั้นเป็นอานิสงส์ที่บุคคลสามารถเห็นได้ในชีวิตปัจจุบันของตนตามหลักของพระธรรมคุณที่ว่าอันผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองซึ่งก็หมายความว่าอานิสงส์ของศีลแต่ละข้อที่ทรงแสดงเอาไว้ ผู้ซึ่งได้ศึกษาสมาทานศีลดีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นได้รู้ได้ด้วยใจของตนเพราะอนิสงส์เหล่านี้เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นจากการประกอบเพศถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้วเท่านั้นปัญหาในชั้นการปฏิบัติก็คือว่าศีลวิสุทธิ์คือความหมดจดแห่งศีลนั้นจะเกิดขึ้น ด้วยการปฏิบัติในลักษณะเช่นไรในข้อนี้ได้ทรงแสดงว่าศีนั้นจะต้องปฏิบัติจนเข้าขั้นที่เรียกว่าอริยกันตศีลคือเป็นศีลที่พระรีเจ้าพอใจ ย, ยินดีเป็นที่เป็นหลักการประพฤติปฏิบัติของพระรีเจ้าทั้งหลาย นั่นก็คือศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นทยเกตุไม่รักษาศีลด้วยอำนาจตันหามาหนันและศีลสามารถเป็นฐานรองรับให้เกิดสมาธิคือความสงบทางใจขึ้นศีลที่ขาดคือศีลเช่นไรศีลที่ขาดก็คือศีลที่บุคคลสมาทานไปแล้วด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่สามารถจะรักษาสีลข้อนั้นได้แล้วไปละเมิดสินที่นั่นก็ชื่อว่าขาดแต่ว่าการขาดสีลจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำหรับสีลที่ชาวบ้านรักษาสมาทานกันท่านเรียกว่าเป็นสจิตกรกะคือต้องมีความจงใจละเมิดจึงจะเป็นการขาดสีลถ้าหากว่าไม่จงใจศีลก็ไม่ขาด ตัวอย่างเช่นศีลข้อปาณาธิบาตมีองค์ประกอบอยู่ห้าประการคือหนึ่งสัตว์นั้นจะต้องมีชีวิตสองเรารู้ว่าสัตว์นั้นมีสิทธิชีวิตส ม, มีจิตเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตาย 4. มีความพยายามด้วยกายหรือว่าใช้คนอื่นให้ทำ และห้าสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นถ้าประกอบด้วยองค์ทั้งห้าประการนี้ศีลนั้นก็ขาดแต่บางคราวศีลไม่ถึงกับขาดที่เรียกว่าต่างไปและแกการกระทำที่ไม่ครบองค์เช่นว่าองค์ทังห้าประการที่กล่าวมาแล้วคือสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิต ตั้งจิตคิดจะฆ่าทำความพยายามที่จะฆ่าแต่ว่าสัตว์นั้นไม่ตายศีลนั้นก็ไม่ถึงกิดขาดแต่ก็เป็นศีลที่ด่างไปศีลในลักษณะที่พลอยไปเช่นตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วต้องการจะตบยุงให้ตายองค์ทั้งสีประการข้างต้นครบแต่ว่าตบผิดไม่ได้ถูกยุงเลยอย่างนี้ชื่อว่า ศีลเพียงแต่พร้อยไปบางอย่างก็เป็นขั้นของการทลุแสดงว่ามีจุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่ศีลปิดกว่าศีลที่พร้อยจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วเช่นการตกยุงนั้นองค์ทั้งสีประการข้างต้นสมบูรณ์แต่ว่าตกเข้าไปถูกปียกยุงขาดหรือถูกขายุงขาดแต่ยุงก็ไม่ได้ ศีนนั้นไม่ชื่อว่าเป็นปานาติบาตแต่เป็นการเบียดเบียนสัตว์ดังนั้นจึงชื่อว่าเพียงแต่ทะลุเท่านั้นและข้อที่สี่จะต้องรักษาศีนด้วยความเป็นไทยมีจิตใจสานึกเห็นคุณค่าของศีนจริงๆไม่ใช่ต้องการรักษาเพื่อได้รับคำยกย่องชมเชยรักษาศีน เพื่อต้องการได้รับผลตอบแทนที่เป็นรูปของวัตถุเป็นต้นในข้อนี้ท่านได้เล่าถึงสหายของนางวิสาขาหลายคนด้วยกันมีวายแตกต่างกันมาสมาทานุโบสถศีลในสำนักของพระพุทธเจ้านางก็เข้าไปกราบทูลถามว่ารักษาศสีลกันทำไมก็ตอบแตกต่างกันออกไป แต่สรุปแล้วก็คืออิงวัตถุธรรมทั้งหมดสารุ่นก็ตอบว่ารักษาศีลเพื่อให้ได้ไปสู่สกุลสามีในเวลาที่ยังไม่แก่ส ต, ตีที่แต่งงานแล้วก็บอกว่าต้องการได้ลูกชายหัวปีคนที่มีสามีแล้วมีลูกแล้วก็ต้องการอยาให้สามีนอกใจคนที่ผ่านวัย จะหาความสุขสําราญในโลกแล้วก็ต้องการจะบังเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรักษาศีลในลักษณะนี้ในชั้นทั่วไปก็คงเป็นศีลอยู่นั่นเองแต่ในชั้นที่เป็นอริยะกันไดศีลคือศีลที่พระอริยเจ้ายกย่องพระอริยเจ้าพอใจนั้นยังถือว่าไม่มีความเป็นอิสระแก่ตัวเอง เพราะยังอิงอาศัยปัจจัยภายนอกต้องการผลตอบแทนที่เป็นวัตถุธามยกหรือแม้แต่การรักษาศีลด้วยความกลัวต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นลูกชายของท่านอนาถบินจิกาเศรษฐีชื่อว่นนายกาลังไปรักษาศีลพราะบิดาจ้างให้รักษาวันละห้าร้อยกหาปณะนะั้นี่ถือว่า เป็นการรักษาศีลแบบรับจ้างไม่มีความเป็นไทยความเป็นอิสระต่อตนเองการรักษาศีล น, นั้นในชั้นที่เป็นสีลวิสุทธิ์ในชั้นที่เป็นอริยะการแต่ศีลจะต้องเกิดขึ้นจากความสำนึกที่ประกอบด้วยปัญญารู้หาเหตุเละผลมองเห็นคุณค่าของศีลว่าศีล น, นี้ดี เพราะมีปกติสงบระงับดับเป็นไปและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าใจที่ถูกขีดวงให้อยู่ในกรอบของศีนั้นจะเป็นใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีความยึกเย็นมีความมั่นคงอยู่ทางใจรู้จักใช้สติระลึกรู้อารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาอันเป็นเหตุจะให้ตนละเมิดสิ ก็ตัดกระแสความคิดเหล่านั้นออกไปได้เพื่อจะรักษาศีลของตนและข้อต่อไปคือต้องไม่รักษาศีลดยเกิดมานะและทิฐิขึ้นมาศีลเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมานะนั้นคือเมื่อรักษาศีลแล้วก็นำการประพฤติปฏิบัติของตนไปเทียบเคียงกับคนอื่น โดยปกติคนเรามักจะยกย่องตนเองให้ความสำคัญเกีตนเองอยู่แล้วเมื่อใช้ไปในทางที่ผิดเช่นนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าคนอื่นไม่เคร่งเราเคร่งคนเดียวคนอื่นไม่ดีเราดีกว่าหรือแม้ได้รับรองว่าคนอื่นเขาดีแต่ก็ถือว่าเราดีที่สุดในหมู่คนดีทั้งหลายเป็นต้นนำศีกลกายไปเป็นมานะ ในชั้นของศีลธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรแต่ในชั้นของศีลที่เป็นอริยะการแต่ศีลก็ถือว่ายังไม่เข้าถึงยังไม่เข้าถึงขั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าได้ศีลแต่เสียธรรมซึ่งเพิ่มกิเลสธนาประการขึ้นมาได้โดยมีมานะความถือตัวเป็นฐานที่กระจายออกไปเป็นรูปการดูหมิ่นคนอื่นการยกตนเทียมท่าน การเชิดชูตัวเองจนหลงในตัวเองและไม่ถูกทิฐิเข้าครอบนบศีลบางอย่างนั้นเป็นการรักษาแบบงมงายไม่มีเหตุไม่มีผลในการรักษาศีลสมรับศีลของคารวาทั่วไปนั้นดูได้ไม่ค่อยชัดเพราะเป็นธรรมสำหรับมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าในชั้นศีลของพระแล้วจะเห็นได้ว่า การรักษาศีลบางอย่างมีความงงง่ายความหลงอยู่ในตัวอย่างในสมัยก่อนที่ถือว่าเวลาพระจีวรพระที่ต้องอาบัดนิสสกีเอาไปตากไว้ที่ไหนจะทให้จีวรตัวอื่นพลอยเป็นนิสสกีไปด้วยเป็นต้นยานี้ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่ทรงแสดงไว้อย่างนั้นหรือบางครั้งกลายเป็นความดื้อถือรัน ที่ไม่ยอมรับฟังเหตุผลเป็นการติดในรูปแบบต่างๆว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จึงจะมีความถูกต้องกลายเป็นศีลละวัดเป็นอาการของความงมงายซึ่งท่านจัดเป็นสังโยชน์คือคือเครื่องครองใจสัตว์ประการหนึ่งและข้อสุดท้ายทรงแสดงว่าจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบ ดังนั้นศีลจึงเป็นบาตเป็นพื้นฐานของคุณในทางเบื้องสูงขึ้นไปคล้ายๆกับการจะสร้างอาคารหลังใหญ่จําเป็นจะต้องอาศัยพื้นฐานข้างล่างมีสอเข็มเป็นต้นที่ตอกไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะยอมรับน้ําหนักซึ่งจะก่อสร้างเพิ่มขึ้นไปได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะ ด, ดังนั้นท่านจึงแสดงว่าศีลเป็นเบื้องต้นศีลเป็นบาทแห่งการประพฤติความดีต่างๆในทางพระพุทธศาสนานี้แต่เมื่อกล่าวโดยนยยแห่งองค์อริยมรรตทั้งแปประการแล้วศีลที่จะเข้าถึงความสมบูรณ์ก็คือการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรตสามข้อ ได้แก่สมาวาจาการเจรจาชอบพูดคำที่เป็นคำสั์คำจริงคำสมานสามัคคีคำไพเราะอ่อนหวานและคำที่มีประโยชน์สม า, ส, ส, มาสมากรรมันตะคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนร่างกายทรัพย์สินและประเวณีของบุคคลอื่นเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบธรรมอันเป็นสมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบทำนั้นก็เลี้ยงไปตามเหมาะตามควรแก่ฐานะหน้าที่การงานของบุคคลเหล่านั้นซึ่งข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้คำสั้นๆว่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในพระศาสนานี้ละการเลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพแล้วมาดำรงชีวิตด้วยสามมาชีพเมื่อปฏิบัติได้ โดยในยะนี้ศีลของบุคคล น, นั้นก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ความบริรสุทธิ์แห่งศีลแสดงออกมาในชั้นที่ประนีตด้วยความเป็นผู้เย็นกายเย็นใจอาการทางกายทางวา จ, จาก็เป็นปกติไม่กระทบกระทั่งต่อชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นเป็นต้น มีความยินดีพอใจในสิ่งต่างๆตามที่ตนใช้ความเพียรพยายามได้ป่าและมีความยินดีตามสมควรแก่ฐานะของตนสาหรับบุคคลบางคนเช่นนักบวชในทางศาสนาจะต้องเป็นผู้ไม่มีความละโมบมากแม้ได้มากก็ยินดีแต่น้อยที่ตนใช้คำว่า เป็นผู้มักน้อยเริ่มต้นออกมาแสวงหาความสงบคือวิเวกซึ่งเป็นฐานเบื้องต้นของการปฏิบัติทางสมาธินั้นการปฏิบัติตามหลักของศีลสัมแดงผลออกมาในรูปของธรรมะอีกสี่ประการคือเป็นผู้เย็นกายเย็นใจอันเป็นองค์ของศีล มีจิตใจโน้มน้อมไปเพื่อการไม่คลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะด้วยเสียงอึกอั้กซึ้คด้วยโกด้วยความวุ่นวายต่างๆในด้านของจิตใจมีความสันโดษคือยินดีตามมีตามได้ตามหลักสันโดษสามประการคือในชั้นของการแสวงหาเพื่อดำรงชีวิตโดยปกตินั้น จะยินดีตามกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดกำลังบริวารของตนโดยอยู่ในขอบข่ายของหลักสมาชีพต่งางๆแล้วเพราะฉะนั้นผู้มีศีลจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องยุติการสแสวงหาแต่อาจสแสวงหาทรัพย์สมบัติได้เป็นอันมากเป็นมหาเศรษฐีแต่ต้องอยู่ในขอบข่ายของ สมาชีวะเท่านั้นเองและเมื่อได้ปัจจัยอย่างไรมาจะมากหรือน้อย ก, ก็ตามสามารถปรับจิตให้มีความยินดีในปัจจัยเหล่านั้นอย่างที่เรียกว่ายะถาลาพระสันโดษคือยินดีตามที่ได้มาเพราะถ้าหากว่าใจยังสายไปไม่สงบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้แล้ว ผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาสินก็จะไม่ติดเม็ดติดหนุและในชั้นของการซื้อหาจับจ่ายสิ่งของในการดำรงชีวิตก็ยินดีตามสมควรแก่ฐานะแก่ความจำเป็นแก่กำลังทรัพย์ของตนเป็นต้นแต่ในชั้นที่ประนีตขึ้นไปกว่านั้นซึ่งหมายถึงเป็นสีลของนักบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ แต่อนุโลมได้ปฏิบัติได้สมหรับสาธุชนทั่วไปที่ต้งใช้คำว่าอภิชิตาคือมีความปรารถนาน้อยมีความยินดีน้อยอยู่อย่างไรก็อยู่ได้เพื่อไม่ให้เดือดร้อนเพราะปัจจัยต่างๆเป็นเหตุเ น, นื่องจากในสายตาของผู้มีศีลที่ได้รับการขัดเกลาจิตใจป่าตามสมควรแล่นั้น มองเห็นค่าของชีวิตที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เป็นแต่เพียงเครื่องประกอบเครื่องหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ของการดำรงชีวิตเท่านั้นคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงก็คือการที่บุคคลสามารถประกอบกระทำบาเพ็ญให้เกิดประโยชน์เพื่อกูลอำนวยความสุขแก่ตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และอาศาัยคุณสมบัติคุณธรรมทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นที่ตนได้มาในทางที่ชอบธรรมบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลอำนวยความสุขให้แก่บุคคลอื่นการใช้ชีวิตในลักษณะที่บำเพ็ญอัตถประโยชน์คือประโยชน์ตนและปริตรประโยชน์คือประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนั้นชื่อว่า เป็นอุดมคติในทางพระพุทธศาสนาบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าลงมาที่ได้ชื่อว่าเป็นปูชนียาบุคคลของโลกของสังคมนั้นก็คือท่านที่สามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นได้อย่างกว้างขวางนั่นเองใครสามารถกระทาประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นได้สูงสุด บุคคลผู้นั้นจะมีคนนับถือมากอย่างสูงสุดและค่าของชีวิตเป็นผลที่อำนวยประโยชน์ให้แม้แก่อนุชนรุ่นหลังดังนั้นเมื่อเห็นค่าของชีวิตที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวปัจจัยซึ่งเป็นรูปวัตถุแต่อยู่ที่การปฏิบัติขัดเกลาพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นแล้ว ก็จะเป็นผู้มีความมักน้อยมีความปรารถนาน้อยมีต้องการน้อยเมื่อได้อะไรมาจะใช้ประโยชน์แก่นตนส่วนหนึ่งและตอบสนองความต้องการของตนได้แล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นไปเกื้อกูลอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นการปฏิบัติในชั้นนี้ในขั้นของการรับนั้นสามารถจะรับเท่าไหร่ก็ได้ แต่จะต้องไม่เป็นการรับไว้เพื่อตัวเองแต่จะแบ่งไว้เพื่อตัวเองตามเหมาะตามควรแล้วต่อแต่นั้นจะเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นอย่างพระอน์เทระเคยรับการผ้าที่เขาถาวายเป็นจำนวนแสนผืนแสนแสนพื้นท่านก็รับเพื่อฉลองศรัาทาของเขาเสร็จแล้วท่านก็นำไปแจกจ่ายสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์แก่ภิกษุสามนเณรในส่วนต่างๆของชมพูทวีปชุกนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติในขั้นศีลที่เป็นศีลวิสุทธิหรือเป็นอริยะการตะศีนจึงกลายเป็นพื้นฐานอย่างสาคัญที่จะพัฒนาจิตใจของบุคคลให้น้มน้อมไปเข้าสู่ความสงบซึ่งเรียกว่าจิตตะวิสุทธิอันจะได้กล่าวต่อไปต่อตานี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบ ต, ต่อไป